สังคาทิเศษสิกขาบทที่เจสองร้อยสิบสามถามพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาทิเศษแก่ภิกษุณีผู้กโกรธไม่พอใจไม่ยอมสละกรรมจนกระทั่งสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งณที่ไหนตอบ ทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปราบรบใครตอบทรงปรา ร, รบภิกษุณีจันดะกาลีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีจันดกาลีโกรธไม่พอใจกล่าวอย่างนี้ว่าดิฉันขอบอกคืนพระพุทธบอกคืนพระธรรมบอกคืนพระสง์